สาขาสูตรว่าด้วยทรงแสดงอุโบสถแก่นางวิสาขาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเขตรงสาววัฏฐิครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่า วิสาขาอุโบโสถประกอบด้วยองค์แปประการที่บุคคลอยู่จําแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอุโบโสถประกอบด้วยองค์แปประการที่บุคคลอยู่จําแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวิไนนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าหนึ่ง พระอรหันต์ทั้งหลายละเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุธและศัสราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นข่าจากการฆ่าสัตว์คือวางทันทาวุฒและสัสราวุธมีความละอายมีความเอนดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้ เราชื่อว่าทำตามพระอาหารหันต์ทั้งหลายและอยู่จําอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งนี้ละถึง8พระอาหารหันต์ทั้งหลายละเว้นขาจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่าคือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิตแม้เราก็ละเว้นขาจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนบนที่นอนต่า คือบนเตียงหรือบนที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนี้ในวันนี้พระองค์แม้นี้เราชื่อว่าทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายและอยู่จําอุโบสถอุโบสถเป็นอันประกอบด้วยองค์ที่8นี้วิสาขาอุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการที่บุคคลเข้าจําแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างนี้แหล อุโบสถประกอบด้วยองค์แประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง ม, มากมีความรุ่งเรืองมากแพร่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชเป็นอิสระทิปดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่16แควนที่สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการนี้คืออังคะมคทะกาสีโกศลวัชีมัลละ เจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชะสุรเสนะอาสกะอวันตีคันทาระกัมโพชะการครองราชของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ น, นำไปเปรียบ ก, กับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย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 ละถึง400ปีของมนุษย์800ปีของมนุษย์ละถึง 1,600 ปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปารนิมิตวสวสดี30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี 16,000 ปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรณิมิตวสวสดี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 ไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคอาหารในเวลาวิกาลในเวลากลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงรูปไร้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดนี้แหลที่พระพุทธเจ้าพูถึงที่สุดทุกทรงประกาศไว้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 ว่าเศษารษฐูดว่าด้วยอุบาสกชื่อว่าเศษฐะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขกรุงเวสาลีครั้งนั้นอุบาสกชื่อว่าว่าเศษฐะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าว่าเศระ อุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากละถึงไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสษฐอุบาสกเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญญาตและสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์พึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการ การอยู่จำอุโบโ <speak> สถ <qualify> ประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่ญาติและสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์แม้หากกษัตริย์ทั้งปวงพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ปประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่กษัตริย์ทั้งปวงแม้หาพราหมณ์ทั้งปวงละถึง แม่หากแพทย์ทั้งปวงละถึงแม้หากสู่ทั้งปวงพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วย อ, องค์แปดประการการจำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่สู่ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวาเสถะข้อนี้เป็นอย่างนั้นวาเสถะข้อนี้เป็นอย่างนั้น <mister ius> แม้หากกษัตริย์ทั้งปวงพึงอยู e ่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อขื่อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่กษัตริย์ทั้งปวงแม้หากพราหมณ์ทั้งปวงละถึงแม้หากแพทย์ทั้งปวงละถึงแม้หากสูตรทั้งปวงพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้น พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่สู่ทั้งปวงแม้หากชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แม้หากต้นสาระใหญ่ๆเหล่านั้นพึงอยู่จําอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จําอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อคึ้นกุลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่ต้นสาระใหญ่ๆเหล่านั้นจะปวดกล่าวไปใหญ่ถึงผู้เกิดเป็นมนุษย์เล่าว่าเศรษฐาสูตรที่สี่จบ ชาสูตรว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่าพ่อชาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีครั้งนั้นแหลโพ่ชาอุบาสิกาก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงด้วยตรัส ด, ดังนี้ว่าพ่อชา อุบาสดประกอบด้วยองค์แปดระการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากอุบาสตประกอบด้วยองค์แปดระการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มากมีความรุ่งเรืองมากแผ่ไพศาลมากเป็นอย่างไรคือ <c oughs> อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นป <c oughs> ระจักษ์ดังนี้ว่าหนึ่ง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 อุโบสถประกอบด้วยองค์แปดประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากมีความรุ่งเรืองมากแร่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชเป็นอิสระธิปดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นแห่งชนบทใหญ่16แคว้นที่สมบูรณ์ด้วยแก้วเจตประการเหล่านี้คืออังคะมคทะกาสีโกศลวัชีมันละ เจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชะสุรเสนะอสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะการคครงรากของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นพ เ, เพราะเหตุใรเพราะราชสมบัติของมนุษย์เมื่อ น, นำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อย ห้าสปีของมนุษย์เท่ากับวันและคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชสาสบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนสิสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีห้าร้อยปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8หลังจากตายแล้ว พึ่งไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชข้อนี้เรากล่าวหมายถึงเรื่องนี้แลวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์ถือว่าเป็นของเล็กน้อยร้อยปีของมนุษย์ละถึง200ปีของมนุษย์400ปีของมนุษย์800ปีของมนุษย์ละถึง 1,600 ปีของมนุษย์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 รักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดทำบุญที่มีสุขเป็นกำไรไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์พชาสูที่ห้าจบ 6. อนุรุทธสูตรว่าด้วย พระอนุรุทธะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเข ค, ครุงโกสัมพีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธพะพักผ่อนกลางวันลีกเร้นอยู่ครั้งนั้นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาจํานวนมากได้เข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะ ถ, ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่า ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาครองความเป็นใหญ่และแผ่อำนาจไปในฐานะสามประการคือ 1. พวกข้าพเจ้าหวังวันณะเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นโดยพลัน 2. พวกข้าพเจ้าหวังเสียงเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลัน 3. พวกข้าพเจ้าหวังสุขเช่นใดก็ได้สุขเช่นนั้นโดยพลันท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าเป็นเทวดาเหล่าม น, นาประกายิกาครองความเป็นใหญ่และแผ่อำนาจไปในฐานะสามประการนี้แหลครั้งนั้นแหลท่านพระอนุรุทธะได้มีความดำริว่าชไหนหนอเทวดาเหล่านี้ทั้งหมดพึงมีร่างเขียวมีผิวพันเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นเทวด า, าเหล่านั้นได้ทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะแล้วทั้งหมด จึงแปลงร่างเขียวมีผิวพันเขียวมีผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะได้มีความดำริว่าชะไหนหนอเทวดาเหล่านี้ทั้งหมดพึงมีร่างเหลืองละถึงมีร่างแดงมีร่างขาวมีผิวพันขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวลำดับนั้น เทวดาเหล่านั้นได้ทราบความดำริของท่านพระอนุรุตะแล้วทั้งหมดจึงแปลงร่างขาวมีผิวพันขาวมีผ้าขาวมีเครื่องประดับขาวบรรดาเทวดาเหล่านั้นเทวดาบางองค์ขับร้องบางองค์ฟ้อนรำบางองค์ปรบมือเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิ้มและหลงไหลเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้า ที่นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญปรับดีแล้วประคมดีแล้วบรรเลงดีแล้วมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลือนเพลิมและหลงไหลลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้ทอดอินทรีลงเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระคุณเจ้าอนุรุทธะไม่ยินดีเลยจึงหายไปณที่นั่นเองครั้นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะได้ออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งหน้าที่สมควรด้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาศข้าพระองค์พักผ่อนกลางวันหลีกเร้นอยู่ครั้งนั้นเทวดาเหล่ามานาปกายิ ก, กาจำนวนมากได้เข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเลืกล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่า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 พวกข้าพเจ้าเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาครองความเป็นใหญ่และแผ่อำนาจไปในฐานะสามประการนี้แหลข้าพระองค์นั้นได้มีความดำริว่าชไหนหนอเทวดาเหล่านี้ทั้งหมดพึงมีร่างเขียวมีผิวพันเขียวมีภ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นได้ทราบความดำริของข้าพระองค์แล้วทั้งหมดจึงแปลงร่างเขียวมีผิวพันเขียว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 จึงแปลงร่างขาวมีผิวพันขาวมีผ้าขาวและมีเครื่องประดับขาวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาเทวดาเหล่านั้นเทวดาบางองค์ขับร้องบางองค์ฟ้อนรำบางองค์ปรบมือเครื่องประดับของเทวดาเหล่านั้นมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิม้มและหลงไหลเปรียบเหมือนดนตรีมีองค์ห้าที่นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญปรับดี ประคมดีแล้วบันเลงดีแล้วมีเสียงไพเราะจับใจเร้าใจชวนให้เคลิบเคลิมและหลงไหลข้าพระองค์ได้ทอดอินทรีลงเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระคุณเจ้าอนุรุท ธ, ธะไม่ยินดีเลยจึงหายไปณที่นั้นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุกคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนาหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่านนมานาปกายิกา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอนุรุท ธ, ธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามานาประกายิกาธรรมแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งมารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์หวังเกื้อคุณอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูยกเธอให้สามีใดเธอต้องเตื่นก่อนนอนทีหลังสามีนั้น คอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขาพูดคำไพเราะต่อเขา 2. ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสักการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้วด้วยน้ำและเสนาสนะ 3. าการงานเหล่าใดเป็นการงานในบ้านสามีคือการทอผ้าขนสัตว์หรือผ้าาย เธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นสามารถทำสามารถจัดได้ 4. รู้จากการงานที่คนในบ้านสามีคือทาตคนใช้หรือกรรมกรว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำรู้อาการของคนเหล่านั้นที่เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลง และแบ่งปันของกินของใช้ให้ตามส่วนที่ควร 5. เธอรักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้เป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองก็ตามไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักเลงสุราไม่ล้างพลานทรัพย์สมบัติ 4. เธอเป็นอุบาสิ ก, กาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ 7. เธอเป็นผู้มีศีลคือเว้นข้าจากการฆ่าสัตว์เว้นข้าจากการลักทรัพย์เว้นข้าจากการประพฤติผิดในการมเว้นข้าจากการพูดเท็จเว้นข้าจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 8. เธอเป็นผู้มีจาคะคือมีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจาระอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนอนุรุธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปประการนิแลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามานาปกายิกาสตรีผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูหมินสามีผู้มีความเพียรขวนขวายเป็นนิดเลี้ยงตนเองทุกเมื่อผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างไม่ทาให้สามีขุนเคืองด้วยการแสดงความหึงหวง ยกย่องทุกคนที่สามีเคารพเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านสงเคราคระห์คนข้างเคียงของสามีปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหา ม, มาได้สตรีผู้ยังประพฤติตามใจสามีอยู่อย่างนี้จะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกาอนุรุธทธสูตรที่หจบ ทุติยวิสาขาสูตรว่าด้วยนางวิสาขาสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเขครงสาวัถีครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาละถึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าวิสาขา มาตุคามประกอบด้วยทำแปดประการนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาประกายึกาทำแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งมารดาปิดาผู้ปรารถนาประโยชน์หวังเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูยกเธอให้สามีใดเธอต้องตื่นก่อนนอนทีหลังสามีนั้นคอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขาพูดคาไพเราะต่อเขา ละถึง 8. เธอเป็นผู้มีจาคะคือมีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนวิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาประกายยกา สตรีผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูมิ่นสามีผู้มีความเพียรขวนขวายเป็นนิดเลี้ยงตนเองทุกเมื่อผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างไม่ทำให้สามีขุนขึงด้วยการแสดงความหึงหวงยกย่องทุกคนที่สามีเคารพเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้สตรีผู้ยังประพฤติตามใจสามีอยู่อย่างนี้ จะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาทุติยะวิสาขาสูตรที่เจ็ดจบ 8. นั ก, กุลละมาตาสูตรว่าด้วยนั ก, กุลละมาตาฆะปตานีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพชกะลามิขะทายวันเขตกรุงสูงสุ ม, มาลคีระแควนพักะครั้งนั้น นักุลละมาตากะหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วละถึงนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่านักุลละมาตามาทุคามประกอบด้วยธรรมประการนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามนาปกายะกาธรรมประการอะไรบ้างคือหนึ่งมารดาบิดาผู้ปรารถนาประโยชน์ หวังเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูยกเธอให้สามีใดเธอต้องเตื่นก่อนนอนที่หลังสามีนั้นคอยรับใช้ปฏิบัติให้เป็นที่พอใจเขาพูดคำไพเราะต่อเขาละถึง 8. เธอเป็นผู้มีจาคะคือมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนถินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอ ยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนักกุณและมาตามาทุกขามประกอบด้วยธรรมแปประการนี้แหละหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดร่วมกับเทวดาเหล่ามานาปกาเยกาสตรีผู้เป็นบัณฑิตย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มีความเพียรขวนขวายเป็นนิดเลี้ยงตนเองทุกเมือ่อผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างไม่ทําให้สามีขุนเคืองด้วยการแสดงความหึงหวง ยกย่องทุกคนที่สามีเคารพเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านสงเคราคะห์คนข้างเคียงของสามีปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้สตรีผู้ยังประพฤติตามใจสามีอยู่อย่างนี้จะเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกานักกุลละมาตาสูตรที่แดจบ พุทมอิทะโลกิกะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนาวิสาขามิคารมาตาในบุพารามเคครูงสาวัตถีครั้งนั้นนาวิสาขามิคารมาตาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วนั่งณที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าวิสาขามาถุคามประกอบด้วยทำสีประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ปรารบโลกนี้ทำสีประการอะไรบ้างคือมาถุคามในโลกนี้หนึ่งจัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียง 3. ปฏิบัติถูกใจสามี สรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามผู้จัดการงานดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านสามีคือการทอผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานเหล่านั้นสามารถทําสามารถจัดได้มาตุคามผู้จัดการงานดีเป็นอย่างนี้แหล มาตุคามผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้รู้จักการงานที่คนในบ้านสามีคือทาตคนใช้หรือกรรมกรว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำรู้อาการของคนเหล่านั้นที่เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลงและแบ่งปันของกินของใช้ให้ตามส่วนที่ควรมาตุคามผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงเป็นอย่างนี้แหละ มาตุคามปฏิบัติถูกใจสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ล่วงละเมิดสิ่งที่ไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามปฏิบัติถูกใจสามีเป็นอย่างนี้แหลมาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้รักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้เป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองก็ตาม ไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักเลงสุราไม่พลานทรัพย์สมบัติมาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แลวิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ปรารบโลกนี้วิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าปรารบโลกหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ถึงพร้อมด้วยศีลสถึงพร้อมด้วยจาคะ 4. ถึงพร้อมด้วยปัญญามาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธา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 มาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเ ว, ว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแ ห, ห่งความประมาทมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างนี้แหลมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรงคือมาตุคามในโลกนี้มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทิน มีจ่าฆะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจ่าฆะเป็นอย่างนี้แหละมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริย ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แลวิสาขามาตุคามประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าปรารบโลกหน้าปัญญาเป็นผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีอยู่ในชาติหน้าอยู่เป็นนิททำแปดประการดังกล่าวมา น, นี้มีอยู่แก่สตรีใดสตรีนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมกล่าวคาสัตว์อุบาศิกาเช่นนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองค์แประการเป็นผู้มีศีล ย่อมเกิดในเทวโลกชื่อว่ามนาปกายิกะปถมมอิทัโลกิกะสูตรที่เก้าจบสิบทุติยอิทโลกิกะสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อชัยชนะในโลกนี้สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ปรารบโลกนี้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือมาตุคามในโลกนี้ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียง 3. ปฏิบัติถูกใจสามี 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามผู้จัดการงานดีเป็นอย่างไรคืมอามาตุคามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านสามีและถึงมาตุคามผู้จัดการงานดีเป็นอย่างนี้แหละมาตุคามผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงเป็นอย่างไรไ <feito> คือมาตุคามในโลกนี้รู้จักการงานที่คนในบ้านสามีและถึง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 คือมาตุคามในโลกนี้รักษาคุ้มครองสิ่งที่สามีหามาได้และถึงมาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุ์ทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยทำสีประการนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ปรารบโลกนี้ภิกษุ์ทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยทำสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้า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 มาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆา่าสัตว์ละถึงเว้นขาจากการเสพของหมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างนี้ แ, แลมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้มีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมนทินละถึง มาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แลมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาละถึงมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แลภิกษสุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าปรารบโลกหน้าปัญญาเป็นผู้จัดการงานดี สงเคราะห์คนข้างเคียงปฏิบัติถูกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีอยู่ในชาติหน้าอยู่เป็นนิดทาแปดประการดังกล่าวมานี้มีอยู่แก่สตรีใดสตรีนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมกล่าวคาสัตย์ อุบาสิกาเช่นนั้นพูดถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองค์แปดประการเป็นผู้มีศีลย่อมเกิดในเทวโลกชื่อว่ามนาปกายิกะทุติยอิทโลกิกะสูตรที่10บจบอุโปสถวัคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สังขิตตุโโบสถสูตร 2. วิถตุโปสถสูตร 3. วิสาขาสูตร 4. ่วาเสทสูตร 5. โพโอชาสูตร 6. อนุรุธทธสูตร 7. ทุติยวิสาขาสูตร 8. นกุลละมาตาสูตร 9. ปทมมอิทธโลกิกะสูตร 10. ทุติยอิทธโลกิกะสูตรปทมมปันนาจบ